ปัญหาข้อที่สี่ถ้าจะสอนเด็กให้เข้าใจว่าวิญญาณคืออะไรจะตอบอย่างไรเด็กจึงจะเข้าใจได้ง่ายคำตอบการตอบปัญหาทุกอย่างสำหรับเด็กอย่าตอบโดยใช้คำจำกัดความโดยไม่ได้ให้เห็นตัวอย่างจงยกตัวอย่างเสียก่อนแล้วจึงบอกความหมายวิธีนี้จะทำให้เด็กจําง่ายและเข้าใจง่าย ฉะนั้นการตอบที่ดีก็ควรจะบอกให้เด็กจำไว้เสียก่อนว่าตาเห็นคือวิญญาณเห็นหูได้ยินคือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดคือวิญญาณนึกคิดและพยายามพิสูจน์ให้เด็กเข้าใจว่าเวลานอนหลับทำไมจึงมองเห็นภาพในความฝันเสียงที่เข้าหูถ้าไม่ตั้งใจฟังทำไมจึงไม่ได้ยินจากตัวอย่างในทํานองนี้ เด็กก็จะเข้าใจได้เองว่าตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินดังนี้เป็นต้นอันหนึง่งจงสอนให้เด็กเข้าใจตั้งแต่แรกทีเดียวว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีสองอย่างคือร่างกายและวิญญาณและจะต้องหัดเด็กให้เคยชินว่าเราเห็นหรือตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นเราได้ยินหรือหูได้ยิน ก็คือวิญญาณได้ยินเรานึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดเรากโกรธเราเกลียดเรารักเราชอบเรารู้เราเข้าใจเราจำได้เราสุขเราทุกเรารู้สึกหนาวเรารู้สึกร้อนเราในที่นี้ก็คือวิญญาณนั่นเอง